มีเพื่อนส่งบทความที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งมาให้อ่านเขียนโดยพระชาวเยอรมันชื่อท่านอนาลโยท่านนี้ท่านเป็นพระนักวิชาการที่มีความรู้ดีมากเกี่ยวกับพระไตรปิฎกแล้วก็รวมทั้งคัมภีร์ชั้นหลังๆเช่นอัตถกถาพระไตรปิฎกท่านก็อ่านได้หลายภาษานะทั้งบาลีภาษาจีนนะก็ทําให้ เทียบเคียงและเห็นความแตกต่างเอาบทความที่ท่านเขียนนะล่าสุดก็คือเรื่องกรรมกับการเกิดมาเป็นผู้หญิงน่าสนใจมากนะอันนีนนนน้คือท่านพูดว่ามันมีความเชื่อที่แพร่หลายในหมู่ชาวพุทธโดยเพราะในปัจจุบันนะว่าการเกิดมาเป็นผู้หญิงเนี่ยในชาตินี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าทากรรมไม่ดีในชาติที่แล้วมา อันนี้เราได้ยินบ่อยนะแล้วก็เป็นความเชื่อที่เรียกว่ามีมานานละท่านก็เอาหลักฐานมาชี้เห็นว่าความเชื่อแบบนี้นี่มันไม่ได้มีในพรตไตปิดตกแต่ว่ามันมีอยู่ในคำภีอัตถกถาคำภีอัตถกถาเป็นคำภีชั้นหลังๆนะเขียนมาหลังจากพุทธปรินิพพานไปได้พันปีนะ ถือว่ามีความสําคัญเป็นอันดับสองรองจากพระไตรปิฎกในคัมภีร์ตากถาก็จะมีข้อความที่พูดถึงเรื่องนี้ไว้เยอะแต่ว่าไม่มีที่มาในพระไตรปิฎกเช่นคัมภีร์ตากถาธรรมบทนะธรรมบทนี่ก็เป็นในเป็นคัมภีร์ในพระไตรปิฎกแต่ว่ามีอธิกถาขยายความก็บอกว่าเนี่ย ใครผู้ชายเนี่ยที่ไปผิดรูปผิดเมียคนอื่นเนี่ยนะเมื่อตายไปแล้วนอกจากจะตกนรกแล้วยังต้องมาเกิดใหม่ถ้าเกิดใหม่นะมาเป็นมนุษย์ก็ต้องเกิดมาเป็นผู้หญิงอยู่ร้อยชาตินะก็เลยมีความเชื่อว่าเนี่ยที่เป็นผู้หญิงทุกวันนี้เนี่ยที่เห็นเนกันอยู่เนี่ยเพราะว่าไปอทําไม่ดีในชาติที่แล้วเช่นผิดผิดรูกผิดเมียเข้ามาเนะ่ก็มีความเชื่อแบบนี้ในหมู่ผู้หญิงนะชาวพุทธอ่อ เพราะฉะนั้นกอ็อยากจะไปเกิดใหม่ณนะชาติน่าคอยเป็นผู้ชายท่านก็ชี้ว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยมันไม่มีเรื่องราวทํานองนี้ในพระวินัยปิฎกมีพูดถึงเรื่องพระที่เป็นภิกษุแล้วก็แปลงเพศเป็นภิกษุณีเป็นผู้หญิงหรือว่าภิกษุณีที่แปลงเพศเป็นผู้ชายใ น, ในพระไตรปิฎกท่านก็พูดไว้เป็นกลางๆไม่ได้ พูดว่าดีไม่ดีอย่างไรนะแต่ว่าพอมาเป็นคัมภี้ยธักระถาแล้วเนี่ยก็จะพูดว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงมันไม่ดีอย่างโน้นไม่ดีอย่างนี้นะโดยเพราะเกิดจากการกระทําคือกรรมที่ไม่ดีในอดีตทนะ่านยังไปชี่ว่าเนี่ยในคำเพีย้ยอย่างเช่นจุลกรรมวิพังนะซึ่งพูดถึงว่าอา น, นิสงส์งของกรรมดีและกรรมชั่วก็ไม่มีเรื่องแบบนี้นะเช่นท่านแจากแจงว่าถ้าฆ่าคน นะชาติต่อไปก็จะอายุสั้นถ้าไปทำร้ายเขาชาติหน้าก็จะเจ็บป่วยถ้าเป็นคนขี้โกรธชาติหน้าก็จะผิวพรรณวันณะไม่ผ่องใสถ้าชอบดูถูกคนชาติหน้าก็จะเกิดมาต่ำต้อยแม้กระทั่งผู้ว่านี่ถ้าไม่ชอบตั้งคำถามนะชาติหน้าจะโง่ อ, อันนี้ น, น่าคิดนะ ถ้าคนนี้ไม่ชอบถามนี่นะไม่ชอบถามท่านพุรุณีชาติน่าจะโง่นะนักนักเรียนที่ไม่ถามครูนี่ชาติน้าก็โง่เหมือนกันนะคือท่านก็แจกแจงมาหลายข้อแต่ไม่มีข้อในบอกว่าถ้าไปผิดลูกผิดเมียใครชาติน่าจะเกิดมาเป็นผู้หญิงนะอันนี้ไม่มีมันเพิ่งมีในคัมภีร์ชั้นหลังแล้วท่านก็ยังยกคัมภีร์เก่าๆนะซึ่ง อาจจะมีในภาษาอื่นแต่ไม่มีในภาษาไทยแต่ว่ามันมีความโบราณมากเชื่อเป็นคำพิธีเราอาคมอาคมะอาคมะนี่ภาษาจีนนี่มีเยอะมากเลยเพราะว่าเขาแปลมาจากภาษาบาลีแล้วก็ภาษาจากคมพิธ์เก่าๆในสมัยพุทธกาลหรือว่าสมัยหลังพุทธกาล ใ, ใหม่ๆก็มีเรื่องของนางพิสุณีที่ชื่อว่าพัทธกาปิลาณีอันนี้ ท่านนึงแล้วนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือพระนางยโสธรารนางยโสธรานี้ก็เป็นมเหสีเจ้าชายสิทธัตถะนะและต้นหลังก็มาบวชก็เชื่อพัทธกัจจา น, นะทั้งสองท่านนี้ก็เล่าประวัติของตัวเองนะว่าเคยมาเกิดในสมัยที่พระปัจเจพุทธเจ้าเชื่อปทุมมตรุระพระปัจเจพุทธเจ้านี่มีเยอะนะพระพุทธเจ้าก่อนหน้านั้นสมัย ในสมัยเรียกว่ากับก่อนๆ ก, ก็มีมากท่านเล่าว่าตอนที่ไปเกิดในอดีตชาติเนี่ยนะได้เห็นพระพุทธเจ้าอัตติตพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านยกย่องภิกษุณีท่านหนึ่งนะให้ให้อยู่ในตำแหน่งเป็นเอตทักคะนะเป็นเป็นสิทธิ์ที่โดดเด่นมากที่สุดนะท่านก็เลยปรารถนาจะไปเกิดนะ เป็นผู้หญิงบ้างนะเพื่อจะได้ได้รับการยกย่องแบบนั้นนะก็เลยตั้งเจตทิฐฐานว่าขอได้ไปเกิดเป็นผู้หญิงอันนี้มันก็แสดงเห็นว่าชาวพุทธนะสมัยก่อนเนี่ยนก็ไม่ได้เห็นว่าการเกิดเป็นผู้หญิงเป็นที่เรื่องที่เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจนะหรือว่าเป็นเพราะมีกรรมไม่ดีทำไว้ในอดีตแม้ท่านที่ทำกรรมดีไว้ก็ยังปรารถนาจะไปเกิดเป็นผู้หญิง นะเพื่อจะได้เป็นพุกธิ์นี้เป็นพิษุตนีได้รู้ธรรมนะอันนี้ก็เป็นเป็นความเห็นที่มีในในหมู่ผู้รู้ชาวพุทธนะช่วงแรกๆนะแต่ว่าพอมาถึงคมภีพอมาถึงในยุคอัธกถาแล้วเนี่ยความเห็นมันเปลี่ยนไปนะก็มีทัศนกติที่เป็นลบกับผู้หญิงมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าใครเป็นผู้หญิงก็แสดงว่าทำกรรมไม่ดีในชาติที่แล้วมาหรือในชาติก่อนๆมาโดยเพราะเรื่องการนะละเมิดสิงข้อสามท่านก็ยกตัวอย่างมาอีกหลายอย่างนะที่เชื่อเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันนะระหว่างคำคมภีร์ดั้งเดิมคือ ค, คือพระไตรปิฎกนะกับอัิกถาในเรื่องทัศนกติต่อผู้หญิงนะก็เป็นบทความที่น่าสนใจมากเพราะว่าช่วยทาให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องได้นะว่า จริงๆแล้วเนี่ยพุทธศาสนาแต่งดั้งเดิมเนี่ยมองผู้หญิงอย่างไรนะในเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่หลายๆท่านก็เคยชี้มาแล้วว่ามันมีความแตกต่างกันมากระหว่างพระไตรปิฎกกับคัมภีร์ถกถาในหลายเรื่องหลายเรื่องก็กสอดคล้องกันในแต่ในบางเรื่องก็แตกต่างกันเพราะว่าคามัมภีร์ถกถาที่เป็นคมัมภีร์ชั้นหลังแล้วก็ผู้เขียนผู้แปลก็ใส่ความเห็นส่วนตัวลงไป นะถ้าจากพุทธทาสท่านก็พูดแย้งนะคำเภี้ยตกระฐานหลายตอนว่ามันไม่ตรงกับพระไตรปิฎกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ถ้าเราสนใจเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยการกลับไปอ่านพระไตรปิฎกนี่เป็นเรื่องสําคัญมากแต่ว่าน่าแปลกที่ว่าการศึกษาของพระเราเนี่ยตามระบบเนี่ยก็คือป ร, ริยนตั้งแต่ประโยชน์หนึถึงประโยช9เ้าเนี่ยโดยพ้อยิ่งสูงเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งเรียนแต่คำเภี้ยตกระถา ไม่ได้เรียนพระไตรปิฎกนะพวกที่จบประโยค78็ดแปเ้านี่ยหรือว่าสี่ห้าหเนี่ยไม่ได้เรียนคัมภีร์ที่เป็นต้นตอพระพุทธศาสนาแต่เรียนอธิกถาเข้าใจว่าเพื่อจะได้ไปอ่านพระไตรปิฎกต่อไปแต่ส่วนใหญ่เรียนแล้วเนี่ยไม่กลับไปอ่านพระไตรปิฎกนะเพราะว่าเบื่อนะเรียนเท่าไหร่ก็รู้เท่านั้นแหละก็เลยรู้แต่อธิกถาแต่ว่าไม่ได้กลับไปอ่าน พระไตรปิฎกก็เลยไม่รู้ว่าพระไตรปิฎกจริงๆเนี่ยท่านว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พระที่พระสอนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ได้บิธิธพลจากอัตถกถ า, ามากกว่าพระไตรปิฎกอันนี้ก็เป็นนะเป็นแง่คิดที่น่าพิจารณาก็ฝากเรื่องนี้เอาไว้นะเอาไปศึกษากันต่อไปเตรียมรับพร